ตายเด็กปีไม่ลอกเลกน้องอยากแขกนักเรงมาแล้งกันมังปีปูดปาดระตายน้องเอ๊ะเศเอเดีกายน้องฟังโลกว่าคลอกดอกจังนั้นตนชายโด โลกหลักในน้องแลตานัวได้ง uh, ่ายนองจับใสนางกลับมาน้ำแล้วทำเคยซมต่อยอนมงรองเร่งนั่นเพลงน้มจมลงไปงมในบ่อมาต้อน โลกแงเลนซ้าแม่โดไปนอกตรงเสี้ยงกองกงรอหัวนันหัวแรกคนหัวหัวแรกคนเสียงกองกองรอหัวหัวแรกคนอาไอ้บ่ไงนองวายห็วได้กันจนอาบดำต้นกินข้าวแก่นันโต๊ะเต้นชอย น้องเป็นคนเนื้อน้องเออสวยเออน้องอย่าเบื่อคนตายปีพปูดกลางก็ได้ทันก็ได้ทันสมปีดกลางก็ได้ทันจะ ม, ม, มอูกัำเมืองก็ได้หอต่ำจะได้ปีคนตายผดไปนะเป็นทองแดง ไม่ปลือไม่ปลือปีคือคนตายส่วนยางมากไายเมืองแรแลเอนส่วนยางมาก ม, ามแล อ, อ, อ, แลอสินอ้นซอดตองมันนองเอี่ยงเอียงให้พอน้องได้เรียกร้องให้แพงจะคนเงินมาแต่งสักซิบตุรถไป โอ้จากคนเงินได้มาแตงโอ้สักที่ตุ้รถไฟสา เตอตักติบลูกไปพากยาพากยาเตอโลกมวงโลกหมุดก็นั่นมังคุดสว่ามั่งคุดสว่านเตอแมงดาติมนามจุบนามจุบนามจุบแมงดาทางไอร้อยหนองนะ ใจเคยปลาจีานะใจเคยปลาจีเคยดีดีพีก็อจุ้มก่อจุ้ ม, มนมตราไรดีน้องเอ้าเจ้าเอา้เอาฝันธีมันตุบ เ, เ, เอ้าฝันธีมันตุบตุบน้ำแค่นตุบบหายสักลงังสักลั นองเป็นแม่ขานี่ในตาคมวานในตาคมวานมองนานนานก็ะดวยจังกระดยจังงามแท่แม่ขานั้นเหมือนดารานังเหมือนดารานังค้ อ, าาองปีตัง้งเมาหมดรานหมดราน อยางเลือกอีกสิ่งจากใจจริงของพี่ <Adjust S 1> จากใจจริงคงพีอยากได้ทองนี้ไปอยู่บ้านอยู่บ้าน <S <S เลิ ก, ก, ก, ก, ก, เลกขาดเลิกค่ายปีอายสักพันล้านไอสักพันล้านไปอยู่บ้านาก็ปีตีโลแดดโลแดด อยู่บ้านกับปีตาเจ้าเออีโลตนอนเอออีวยเอ นั่นนองเป็นดาวเด่นดาวเด่นนองเป็นดาวเด่นไกลเย็นไกเห็นล่วนองเป็นดาวุ่ดาวลุ่นองเป็นดาวรุ่มก้าวกรุงก้าวรุงแล้วลูกตุงเหมือนกันลูกุงเหมือนกันนับวรณบวันนี่นองนั้นลืมมอดลืมมดนั่นองนันลืมมดนังรถนังรถนั่นกันโตดูดรา โจคาโจข้าโจนาโจลังโจลังโจลังโจลโจลังเล่นนั่งเล่นนั่งโดยอปลาเอกกอดเอกกอด้ไอปลาเอกกอถูกทอทุูกทอดนั่นเสื้อหนอกเสื้อเนยเสื้อนอกเสื้อเนยนองไปนองไปก็ผูเฟืองเมืองกรุงเมืองกรุงเมืองุเมืองกรุงเมืองลุงเมืองลุงนั่นนองลืมมดแล ไม่แกล้วไม่แกล้วก็ะเมือนควายลืมปลักน้ำกระเมื่อนควายลืมปลักคนรักคนรักน้านนองมีมากมายน้าหนองมีมากมายเสียกายเสียกายแล้วน้องไม่เสียใจเสียใจเทียดใจน้องไม่เสียใจดาวรุ่งดาวรุ่งจะพุ่งไปถึงไหนจะพุ่งไป ไปนานไปก็เหมือนไปหมดเชืือคนเบื่อคนเบื่อก็คงเลือแต่ตัวหน้ากลัวหน้ากลัวเป็นดาวหัวดาวดับออกกลับหน้ากลับหน้าเดไม่ดีว่าลื้อต่ำาลือต่ำปลื้นั้นข้าวลื้อข้าวซอส โปตุโลอดอันดับดาวดังน้องนางน้องนางกาโซกาโซกาโอกกลับป้านาเธอดาวแล้วปีเข้าคอย อันตีรถจุ้ยข้าวกลับบ้านกินเบียนั่นเคลียคนรวยว่างโจกจุ้ยดวงเด่นห่อเป็นคุณนายพูดบ้างกกตองแดงก้นหนองแรงไม่จัดเพราะน้องธนัทปูจาป่าซาตา เคยนางนาะบนล่งไกวเมื่อน้องได้อยู่กรุงแล้วลืมตุงนาได้สังคมเมืงองลู่วงน้องเอ้ยเศร้าเ อ, อ้ยแล้วไม่่วงล่งปี่นอนนั่งคิดตึงในคันหนึ่งนะ หลักลักวายนันทีปลายนาลืมสัญญาที่เคยง่ายวายด้วยกันลืมโลกโดดแกงส่อมนันต้อมพุ่งปลาลืมนำจุบแมงดาแลื่รือนาลืมโลกโตโลกเลอโลกยาววัน น้องลืมว uh, ันจริงเปรตรอเอ็ดดอยน้องลืมวันจริงเปรตรอเอ็ดดอยรอเอ็ดดอยเศ้าเออแล้วรอเอ็ดดอน้องลืมวันจริงเปรตนะรอเอ็ดดอยน้องลืมวันจริงเปรตรอเอ็ดดอยเลิกล่องกรุงมุน่าออกกลับมาบ้าน มาแตงั้นก็ปีดีอนันเนออยู่ บ, ย บ, ยบ้านโนอกกหน้างดส บ, บายเจ๋ยเด็ส บ, บายเจยแล้วรีบกลับไปเมื่อได้ฟังวนูป <c oughs> ียลังกอ รับจางเห็นใจบางไม่นอง g ปีแ็บเงิน็ค่ตงฝากแบงหวายลายปันเดียฝากแบงหวายไล่ปันถ mm ้ hmm. เาเงินได้กลองๆล อ, องจะซือทองมามันให้คนเข้ารู้กันว่านองนั้นแฟนปีเต้าเออว่าน o n นั้นนปีน ร, รดราบจางวิ่งผ่านนาบ้านน้องเง็นรถเบนซี่ทองจอดบ้านน้องตุกทีก็จอดบ้านน้องตุกทีเขาเป็นใครกันนะตาต่างจากผู้ดีคงเป็นโลกเศรษฐีร่ำรวยมีเงินตองมอเตอร์ใส่ราบจางยิ่งในบ้างจะรัก คนไม่มีรักใครจะรกักจะกองออกใครจะรกักจะกองกลเกหมเตอร์ใส่เศ้าเส้าวน้อยห น, น่าจะมองกุลกบเป็นสี่งองมียิงงย่งคลองยิงงยงงย่งรกักอยิ่งกองยิ่งรัก รถมาน้องปีมองมองไม่เห็นนองกองนังรถเบนไปเที่ยวเล่นเที่ยวปากอยู่แล่เจ้านาไปเที่ยวเล่นเที่ยวปากนองนังรอถกลับมาปีพู้จ่าท่ามตักอนองทําไมรู้จักเตะออกปียักดังโปงว่าออกปีฮักดังปง Thank you. ปีบุญปิดซ่อนสังนองจงระวังกาญยาปลังปลาดิีดวัยรุ่นแรกเริ่มมาตั้งเติมน่ชีวิตจงใจความคิดอผิจารณา เป็นคนจลาเ ด, ดสะมาป่อตัวอย่าลงหมง่มั ว, วนั่งกินเหล้าบ้าหน้าอย่าสูก ป, ปุรี่กะนองอย่ารีกันชาหัวยาเจ็บติดก็อยากิดตดลอง ยันมัเปลี่ยนงอลาเรียนนั่งซือสั้งคมปันปรือนองกอได้ไม่มองเบาเออนองกอกได้ไม่มองสั้งคมจันตำนี่จักน้ำน่าลงลองอย่าไปเลี้ยวมองหอ่อมองราคี วัยรุ่นวัยเรียนก็อย่าเพี้ยนเหลืองรักอย่าไปสามาัครนั่นล่องรักเสื่อมีนัเออโอลงรักเสื่อมีวัยรุร่นห่น ร, รักเลวลมมากก็ไม่ดีเรียนจบก็ไม่มีเพราะรักตีแน่นอน ทำความดีนั้นเป็นส่แกตัวเลิกทำความชั่วนั่นตามที่ปีซอนหนูเอเด็กตามที่ปีซ้อนออางนองทำได้แล้วกงไม่เดือนรอนงอหยุดก่อนนี่ฟังก่อนอปีบุญติซ้อนให้น้องฟังนัว ไม่แต้วต้องมีผัวขอบใจชัวจะป่าตัวมองสีใจตุงหนาใจป่าลงคงุงปีใจวารีใจตะนนนหลงตา ใจจบแล้วใจจบก้าวกลับบา้าใจขี้ยาให้นี่นาำยิ่งเออให้นี่งนาำใจเจ้าชูปิดประตูกลางกลางอ ย, าายาง่าไหววังใจลงทางยาวยาง ชอบนุกเรื่องความถุข ก, ก็ไม่เกี่ยวใจชอบเกียวใจชอบเกี่ยวเต้าเต้าจะรักใครรักชัวกลางชั่วคราวรักไม่ยาวรักไม่ยืดยืดแล้ว ด้ปากวานเป่อนานนานกระพมลงค่ารมผ่านผ้าจมลงเอวหากรักจริงอย่าเป็นยิ่งใจเร็วอย่าใจเลวอย่าใจรอนนอนรอปิดปลังไปไม่มีใครช่วยได้ อย่าซอนไว้ใครรักใครมาโคเต้าเอ๋ใครรักใครมาโคอโอปราเปนใสแล้วรักใครน่าต้องรอ้องให้บอกแม่พอโอ้มาสุขโควีวาตัดเส้าเอ๋ วันจอกเด้เลยออกมาทุกวันปีกรีบยางฟันนั้นเจ็ดวันหยุดคนเจ็ดวันหยุดคนตอนปีกรีบยางกะอ้างวางน่ะปีคนเพราะปีคาดคนมาช่วยคนนำยางเปิดรับตามัง นี่คนรักกำพลังกลายว่ารุงมจ้างมากรีดยางต้องคนนัวมากรีดยางต้องคนอ๋ได้น้องมาช่วยได้ร่ำรวยก็ไม่จนตัดย่างต้องคนเราคนขียยางใายน้องนาเจ้านะเราคนขียยางขา เงินสื้อต้องได้ให้ยหนองนาสักพาพี่สื้อเชื้อลายห่อไว้ใส่สักตู้เรื่องเงิฝากแบ่งห่อได้แบ่งดอกเบี้ยต้องคนฟัวเมียแล้วเราไม่ต้องปวดหั ว, วมีลูกมีเจ้าห่อไม่เจ้านะไม่ทลวงต้องกลัวหัวเราไม่กลัวอดตาย อวันจอกคนจอกมีไล่ออกนะตุคนเพราะถึงนาคนเราต้องคนตึงสายยิ่งเออเราต้องคนตึงสายคนตกปร๊มปั๊นอนพลิกควันปลิกไงกอดนองนอนแนบกายโอกควันว่าได้กลีบยังต้องยิ่งเสียแลว้วนเอ เดด้วยสีทองงามเรื่องรองรวงข้าวเจ้าเออปล่าสบายสายลมโบยโบกปัดเด็ดสาบใบรอคลไปเก็บเกี้ยวด้วยเกี่ยวคม หน้าเกียวหนิวเรียวหน้านมเกี่ยวขาว้องมือเจ้าแข้งกันเด็กกันหมดโลมรัวเพลงรักรวงข้าวนั่งกล่าวใส้ลมใส้อารมณ์ตอตูลัวอยู่เรื่อยมา ตาวันเตียงเลี้ยงลบหนาลข้าวตายใหม่ปักพอลใกล้ใกล้เนื่อยโดตีเมื่อยลา้าแววเสียงไฟเสียกลอกระโหลงมากินข้าวปลา ด, ดซ่บงอมือจับเกียวนามเงื่อไเล่ยไกลย้อยนี่ริน ญ, ญ, ญาตยอด ไม่ทอยท้อตัว อ, อยู่แน่นเนียวรวงเรียงรายฟังตูกระตูกมเขียวได้แก็เตียวคือจ้างมาตั้งตั้งคมที่ตองหลับดับให้ได้ให้มองเตาสเงนก้ามาตับกลับพดัดลม พอข้าก้าวเปลี่ยนสีเด็กขานิยมข้านิยมแล้วสีเงินก้มรักสามีโอ้ตุ้งสีทองว่าสีเงินก้มรักสามีโอ้ตุ้งสีทอง กรามแดดฝนยอมจูต้นเนื้อยากลำบากเส้นกระดูกสันลังของาตินี่อย่างกาดเลนความเร็นเกลของเจ้าน้าอ๋อมีมานาน ใส่น้ำฝนนี้ที่ร่นย่อยน้ำฝนหน่อยเจ้าน้านึกแลลวนาต้องการดิลแต่งหน้าแมงนี่แหลงกันดานจะไทยวานปลูกเก่าโอ้ก็เศ้าใจ นัก่อยน้ำก่อยฝนนี่ตนกดยากย่มตุกยากพี่น้ำเองอ้ดอทีแหลงใหญ่ฝนไม่ตก อ, ออกเจ้านาเดียอะไรจะพึงใครกันเล่าออเราเจ้านาะ ปีนามากลากหล่นก็ผลตาลิงเล็วนี้ปีนามากลากหล่นนี่ผลตาลิงเจ้านายยิงพวดเรากิดเหลวเจ้านักหนา้านามต้วมทุงรุงคำเดนตัต้ตาตอนข้าวกล้ามาจมล้มทำลาย นามดีพลดีก็ดีได้ข้าวพอข้ า, าข้าวก็ราคานึกแล้วน่าใจอยข้าวเปลือกทุกข้าวซาล์แป้งออกแกล้งให้ตายเด็กแกล้งให้ตายหอกกระดูกสลังพังตาลายออก็อลาบากใจเแล้วเจ้าดารอ โอกระดุกเรื่งปังตาลายัยลําบากใจเจ้าหน่ารูร้ระดับาน บักบึกรุนคือกักอาดาจักรตั้งอยู่สิว่าที่ปู่เก่อาสัยอยู่รูตํ้มหอดำเป็นเงาหยุเราย่างเก่าเด็เก่าสิบเก้าปีเนื้อนุ่มแตกปังปังดังระเบิดหัวใจเกิดความคิดนี่ว่ารักษ์ อยากได้ข้าวปิ้วข้าวหอดังซ้ำลีเมื่อดาราทีวีทีจ่องเจ็ดอากได้เต่อมาอยู่ตำไม่ไอตำไรงานหน่อยย้ยอยากตำวายไงยเซ็ตจะปอล น, น้ำปอลข้าวไม่ล้าวเสร็จอยากก่อยเจ็ดก่อยตู้ตีปากรูตำอยาก เร็แรงกุ๊กคับหัวจับกระบองต่ําด้วยตองคำแต่นันมีแต่ความนักสิวะเว้นใสจลอยเหมือนตู้ทองมองหน่ารักงเต่านักต่าด้วยตองนี่เล็ดซองร่อยโลก้องตุกอย่างหยักต่ำหอวด้วยตองเตยกเว้นแตยตัวหยักนี่วะยัยอักโก กถือเต่าก้าวย่างตำว่างโตตำว่างโตออกเดินโจรูปงามโอ้ยยิ่งตามม่รักยากเหล่ายิ่ตามม่รักยาก